ปัญหาที่ห้าถามถึงความไปเกิดในพรหมโลกและเมืองกัดมิละข้าแต่พระนาคเสนถ้ามีคนสองคนไปเกิดในที่ต่างกันคือคนหนึ่งขึ้นไปเกิดในพรหมโลกอีกคนหนึ่งเกิดในเมืองกัดมิละคนสองคนนี้คนไหนจะไปช้าไปเร็วกว่ากันขอถวายพระพรเท่ากัน ขอหนิม้มนุปประมาะด้วยขอถวายพระพรชาติภูมิของมหาบาพิตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่กาละศิละคามขอถวายพระพรกาละศิละคามอยู่ไกลจากที่นี้สักเท่าไรประมาณสองโยชนพระผู้เป็นเจ้าเมืองกัดมิละไกลจากที่นี้สักเท่าไร ประมาณสิบสองโยดพระผู้เป็นเจ้าเชิญมหาบอพิษนึกถึงการสีละคมดูสิโยมนึกแล้วพระผู้เป็นเจ้าเชิญมหาบอพิษนึกถึงเมืองกัดมิตรละดูสิโยมนึกแล้วพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรทั้งไหนนึกถึงช้าเร็วกว่ากันอย่างไรเท่ากันพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษคือผู้ที่ขึ้นไปเกิดในพมโลกกับผู้ที่ไปเกิดในเมืองกัดมิละเร็วเท่ากันไปถึงพร้อมกันขอนีมนุปมาณอีกุปมาณด้วยเงาของนกขอถวายพระพรถ้ามีนกสองตัววินมาจับต้นไม้พร้อมกันตัวหนึ่งจับกิ่งตา ตัวหนึ่งจับกิ่งสูงเงาของนกตัวไหนจะถึงพื้นดินก่อนกันถึงพร้อมกันพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษขอนิโมน์อุปมาอีกอุปมาด้วยการแลดูขอถวายพระพรขอได้โปรดแลดูอาตมายมแลดูแล้วขอได้โปรดแงนดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ โยมแงาดูแล้วขอถวายพระพรมหาบอพิษแลดูอัตมากับแลดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันอยู่ไกลถึงสี่หมื่นสองพันโยชข้างไหนจะเร็วช้ากว่ากันเท่ากันพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษคือผู้ที่ได้ขึ้นไปเกิดในพรมโลก กับผู้ที่ไปเกิดในเมืองกัดมิละไปถึงพร้อมกันแก่เก่งมากพระนาคเซน